เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงาน ท่านจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมตามที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเพราะเป็นการดูแลรักษาจิตใจ ที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้อยู่ปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีการปฏิบัติตามตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะทำให้ใจได้จเจริญ ร, รุ่งเรืองมีความสุขอย่างแท้จริง สิ่งอื่นๆในโลกนี้แม้จะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะปลดเปรื้องจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังถาวรถ้าไปหลงไปยึดไปติดว่า เป็นของเราอยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานๆก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆนั้นไม่อยู่ไปนานๆนนไม่ได้เป็นของเรานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาแม้กระทั่งร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราแต่ความหลงของใจความมืดบอดของใจไม่สามารถเห็นได้ว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจนี้ไม่ใช่ร่างกายใจผู้มาครอบครองร่างกายนี้หลงคิดไปว่าร่างกายนี้เป็นใจเป็นตัวของใจพอร่างกายเกิดเป็นอะไรขึ้นมาใจก็เกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์เกิดความระส่ำระสายขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับ นอกจากร่างกายแล้วใจก็ยังไปครอบครองไปยึดไปติดกับร่างกายของผู้อื่นสิ่งของต่างๆวัตถุเข้าของต่างๆใจก็ไปยึดไปติดไปหลงว่าเป็นของตนเมื่อมีความยึดติดความหลงคิดว่าเป็นของตนก็อยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆ พอสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือคนใดคนหนึ่งเกิดมีการพัดพรากจากกันไปใจก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาอีกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับใจถ้าใจมีปัญญามีธรรมะแสงสว่างคอยสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ที่ใจได้มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองนี้เป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับใจไปตลอดสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องหมดสิ้นไปจากใจแต่สิ่งเดียวที่ไม่หมดไปก็คือใจใจนี่แหละผู้ที่มาเกิดและผู้ที่จะไปเกิดใหม่เรื่อยๆตราบใด ที่ยังมีความหลงหลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่อยากให้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ความหลงนี้ก็จะหลอกให้ใจเกิดความอยากให้ไปเกิดเป็น <reet> เป็นสิ่งต่างๆเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดเป็นเทพเป็นพรมหมบ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตบ้างหรือไปตกนรกบ้าง ทั้งหมดนี้เกิดจากความหลงหลอกให้ใจมีความอยากเมื่อมีความอยากก็มีอุปทานมีภพมีชาติตามมาการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นมาอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ใจยังมีความหลงหลอกให้หลงให้ยึดให้ติดให้อยากให้ได้สิ่งต่างๆ มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพียงองค์เดียวที่มีพระปัญญาความเฉลายสามารถมองเห็นความหลงในใจของพระองค์ได้เห็นว่าใจนี้หลงไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรทรงพิจารณาแล้วก็ทรงเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของใจเลยร่างกายก็ไม่ใช่ของใจ สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ไม่ใช่ของใจบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรทีดาญาติพี่น้องต่างๆก็รวนเป็นเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตายไปในที่สุดมาจากดินน้ำลมไฟ ไม่มีตัวไม่มีตนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของพระองค์เองจึงทำให้พระองค์ทรงตัดสรุขึ้นมารู้ว่าใจนี้กับสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นคนละส่วนกันไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดใจสามารถอยู่ได้ตามลำพัง โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีญาติพี่น้องไม่ต้องมีสามีภรรยาไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆใจจะอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าการมีสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนมีความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะมันไม่ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราทุกเพราะว่ามันจะต้องสูญไปจากเราไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็นสามารถดับความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้สามารถตัดอุปทานความยึดติดในสิ่งต่างๆในบุคคลต่างๆในร่างกายของพระ อ, องค์ได้ จึงไม่มีความทุกข์กับการสูญเสียไม่มีความทุกข์กับการพลาดพาดจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆไปจิตใจของพระองค์จึงหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะใจมีปัญญามีแสงสว่างนี่แหละที่เรียกว่าการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เห็นใจเห็นใจของพระองค์เอง ว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเห็นกายของพระองค์ว่าเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งร่างกายมาจากดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตรู้เมื่อมารวมตัวกันก็ปรากฏเป็นบุคคลขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาบ้างเมื่อมีแล้วก็อยู่กันไประยะหนึ่งจนกว่าร่างกาย นี้จะแตกดับไปเมื่อร่างกายแตกดับไปใจถ้ายังมีความอยากมีความหลงก็จะไปหาร่างกายใหม่ก็จะวนเวียนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในภพน้อยในภพใหญ่ถ้าทำบุญก็ได้ไปเกิดในภพที่ดีมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ถ้าทำบาปก็ไปเกิดในภพที่มีความทุกข์ มากกว่ามีความสุขถ้าปฏิบัติทมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาจนเห็นชัดแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นใจลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะปล่อยวางความยึดติดในสิ่งต่างๆปล่อยวางความอยากไม่มีความอยากต้องการอะไรอีกต่อไปว่าใจได้พบกับ ความสุขอันประเสริฐคือความสงบของจิตใจที่เกิดจากการเจริญบำเพ็ญจิตภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาเมื่อเป็นทานั้นแล้วใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องไปหาไปคว้าเอากองทุกข์มาใส่ใจอีกต่อไปใจก็เป็นปรมังสุขขัง เป็นความสุขไปตลอดอา น, อนันตการไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้พบและทรงนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องของใจว่าเป็นอย่างไรให้ได้สามารถปลดเปิื้มความ หลงที่ครอบงำจิตใจปลดเบื้องความอยากต่างๆปลดเปื้องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจจนใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนธรรมะทุกบททุกบทที่ มากมายก่ายกองนับจํานวนไม่ถ้วนมีที่บรรจุรักษาเก็บไว้ได้ในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ประมาณแปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์ธรรมะทุกบททุกบาทนั้นสอนมาที่การปลดปรื้มจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้สอนเพื่อให้ใจปล่อยวางให้ตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเช่นการทำบุญให้ทานก็สอนเพื่อให้ปล่อยวางในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดไม่ให้อยากได้มากกว่า ความจำเป็นคือปัจจัยสี่ถ้ามีปัจจัยสีพ่พอเพียงแล้วก็ไม่ควรที่จะไปแสวงมาให้มากไปกว่า น, นั้นเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจนอกจากจะทำให้เสียเวลาอันมีค่าที่จะได้เอาไปบำเพ็ญการชำระความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ ชำระความอยากชำระอุปทานความยึดมั่นถือมั่นให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจก็มือแต่มาหลงหาเงินหาทองเพื่อจะได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆเพื่อจะได้ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆสวยๆงามๆมาใส่เพื่อจะได้รับประทานอาหารพิสดารต่างๆเพื่อจะได้ มีเงินไว้เข้าโรงพยาบาลรักษาโรงพยาบาลดีๆที่มีราคาแพงๆเนี่ย <Yeah. S 1> แต่หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจเลยไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นแต่กลับทำให้ใจมีความทุกข์มากขึ้นเพราะจะมีความกลัวมากขึ้น mm hmm. คนที่สะสมปัจจัยสีมาก เกินความจำเป็นแสดงว่าเป็นคนที่กลัวอดอยากกลัวไม่มีบ้านอยู่กลัวไม่มียารักษาโรคกลัวไม่มีเสื้อผ้าใสจึงต้องซื้อสิ่งเหล่านี้ไวมากมายก่ายกองแทนที่มีสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีความกลัวน้อยลงกลับมีความกลัวมากขึ้นต่างกับคนที่มีเพียงเล็กน้อย เช่นพระสงฆ์องค์จ้าที่อยู่อย่างมักน้อยสันโดษอยู่แบบตามมีตามเกิดเสื้อผ้าก็มีเพียงสามผืนก็อยู่ได้แล้วที่อยู่อาศัยก็ตามแต่จะหาได้ถ้ามีคนสร้างกุฏิให้อยู่ก็อยู่ถ้าไม่มีก็อยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ตามถ้าก็ได้อยู่ตามเรือนร้างก็ได้ อยู่ในป่าช้าก็ได้เป็นสถานที่อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรคนที่มีสิ่งเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อย่างนี้จะไม่ค่อยหวาดกลัวกับความทุกข์ยากลำบากจากการขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่อาหารโดยปกติก็เพลประทานแค่วันละมื้อก็อยู่ได้หรือบางครั้งบางคราววางเวลา อาจจะอดเป็นสามวันหวันเจวันเพื่อที่จะบำเพ็ญจิตภาวนาให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ผลปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็สามารถทำได้ไม่กลัวความหิวไม่กลัวความยากลาบากต่างกับคนที่ยิ่งมีมากเท่าไหร่จิตใจกับอ่อนแอลงไปมากขึ้นอะไรนิดอะไรหน่อยก็หวาดกลัว อะไรนิดอะไรหน่อยก็วุ่นวายอะไรนิดอะไรหน่อยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะจิตใจหลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆภายนอกทั้งๆ ท, ที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเลยกลับเป็นที่สร้างความทุกข์ให้กับใจโดยที่ไม่รู้สึกตัวมีนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตัศวรทั้งหลายเท่านั้น ที่เหตุโทษของสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงยึดติดเป็นที่พึ่งอาศัยไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ ข, ข้าวของเงินทองก็เป็นทุกข์เหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสารสรู้ก็ดีจึงไม่พึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนอกจากที่มันจำเป็นจริงๆคือปัจจัยสี่เท่านั้น แต่ก็ไม่หวาดกลัวว่าจะขาดแคลนปัจจัยสี่ถ้าถึงเวลาที่ไม่มีอะไรเลยก็พร้อมที่จะให้ร่างกายนี้มันตายไปเพราะใจก็ไม่ได้ยึดติดกับร่างกายไม่ได้พึ่งพาร่างกายเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแต่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะพึ่งปัญญาความรู้ความฉลาด ที่จะดับความหลงให้ประยึดให้ไปติดเพราะปัญญารู้ว่าใจนี้อยู่ได้โดยลำพังใจนี้ไม่ต้องมีร่างกายก็อยู่ได้ใจนี้ไม่ต้องมีข้าวกินก็อยู่ได้ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็อยู่ได้ไม่มีบ้านอยู่ก็อยู่ได้ไม่มียารักษาโรคก็อยู่ได้นี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ ใจที่มีปัญญาจึงไม่ค่อยวิตกกับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเพราะรู้ว่าอย่างไงอย่างไงใจก็อยู่ได้อย่างสบายมีมากมีน้อยก็อยู่เพื่อร่างกายเพื่อจะได้เอาร่างกายมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นแต่ไม่ได้หวังว่าจะเอาร่างกายนี้มาทำประโยชน์ให้กับจิตใจเลยเพราะมีปัญญารู้แล้วว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้รวมถึงร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจได้รับประโยชน์มีแต่จะสร้างความทุกข์ถ้าไปหลงยึดติดไปหลงพึ่งพาอาศัยร่างกายให้ความสุขกับใจนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงต้องอยู่อย่างขอทานพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็อยู่อย่างขอทานท่านไม่ได้อยู่แบบ พวกเราที่ชอบอยู่แบบเศรษฐีอยู่แบบมีบ้านช่องใหญ่โตมีเสื้อผ้าเต็มตู้ล้นตู้มีอาหารการกินกินเปกยงทั่งร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์จนจนเกินไปแล้วก็สร้างโรงพยาบาลใหญ่โตมโหโฬาแล้วก็ต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ในโรงพยาบาลเวลาที่จะตาย แทนที่จะตายอย่างง่า ย, ายดายรวดเร็วก็ต้องไปนอนทรมานอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีปีเพราะความกลัวตายแต่ในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีอ่านกันตรงที่ว่าคนที่ไม่ไม่เข้าโรงพยาบาลนี้ตายอย่างรวดเร็วตายอย่างสบายไม่ต้องทุกขทรมานไม่ต้องทนให้เขาเอาเข็มมาทิ่มมาแทง เอามีดมาผ่ามาตัดอยู่เรื่อยๆ ย, ยอมตายเสยอย่างแล้วสบายกว่าเดี๋ยววก็ตายแต่ถ้าไม่ยอมตายนี้ต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาเป็นเดือนเป็นนัดเป็นปีนี่เป็นพ่อะความหลงพาไปถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่ยึดไม่ติดไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆแม้แต่ปัจจัยสี่ มีก็มีไม่มีก็เตรียมตัวตายเพราะอย่างไรสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมหาเศรษฐีมีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งความตายของร่างกายนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากาศักดิ์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถเหนี่ยวรั้ง ความตายของร่างกายนี้ไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งความตายของร่างกายนี้ไปได้เพียงแต่ว่าจิตใจของท่านนี้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายต่างกับพวกเราปุถุชนที่ยังมีความมืดบอดอยู่ยังไม่เห็นใจยังไม่รู้จักใจว่าเป็นอย่างไร เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วก็คิดว่าสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็เป็นของเราเป็นที่พึ่งของเราที่จะให้ความสุขกับเราที่จะปลดเปิื้มความทุกข์ให้กับเราแต่ความจริงมันกลับเป็นตรงกันข้ามแทนที่มันจะปลดเปลื้มความทุกข์มันกลับผูกมัดให้เราติดอยู่กับกองทุกข์มันไม่ได้ให้ความสุขกับเรา เพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่เคยสนใจศึกษาเราปล่อยให้ความหลงพาคิดไปคิดไปตามภาษาของคนหลงด้วยการคิดเห็นคนอื่นเขามีอะไรมาก้ากก็คิดว่ามีแล้วจะมีความสุขเห็นคนอื่นเขามีสามีมีภรรยาตอนไม่มีก็อยากจะมีกับเขาคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขมากกว่าเดิม แต่พอมีแล้วถึงจะรู้ว่ามันมีความทุกข์มากกว่าเดิมเมื่อก่อนนี้อยู่คนเดียวไม่ต้องทุกข์กับใครพอมีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกข์กับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวล เพราะว่าความหลงหลอกให้ยึดติดไม่รู้ว่าสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้อ ง, ม, องมีสิ่งเหล่านี้อยู่แบบขอทานอยู่แบบคนยากจนได้ถ้าใจมีปัญญาแล้วใจไม่หวั่นไหวใจไม่หิวใจไม่อยากเมื่อไม่หิวไม่อยากก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีอะไรมากมายถ้ายังมีความหิวความอยากอยู่ก็ต้องดึ้นรนหาเงินหาทองเพื่อไป ทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำซื้อในสิ่งที่ตนอยากได้แต่หารู้ไหมว่าซื้อมาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ทำมาเท่าไหร่ก็จะไม่มีคำว่าพอมีแต่คำว่าอยากจะทำมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนี่คือความอยากเป็นอย่างนี้มันไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีฝั่งแม้มหาสมุทรนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลนขนาดไหนก็ตาม มันยังมีฝั่งยังมีของแต่ความอยากนี้มันไม่มีฝั่งมันไม่มีของอยากเท่าไหร่ก็จะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้คือก็อยากจะเอาสอบได้สอบก็อยากจะเอาวาถ้าตราบใดยังมีความอยากอยู่ตราบนั้นก็จะไม่พบกับความสุขเพราะความสุขนั้นต้องอยู่ที่คำว่าพอถ้าพอเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะพบกับความสุข และความพอนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราตัดความอยากเราหยุดความอยากให้ได้เพราะเมื่อไม่มีความอยากความพอก็ปรากฏขึ้นมาความอยากและความพอนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้จะต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าอยากมันก็ไม่พอถ้าพอมันก็ไม่อยากเหมือนความมืดกับความสว่าง ถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดดังนั้นถ้าเราอยากจะยุติการที่เราจะต้องลื่นรนขวนขวายหาสิ่งต่างๆทำสิ่งต่างๆตามความอยากของเราวิธีที่จะทำให้เราพบกับความพอก็คือเราต้องฝืนเราต้องหยุดความอยากทุกครั้งที่อยากจะทำอะไร เราต้องฝืนมันอย่าไปทำตามมันยกเว้นถ้าต้องทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจำเป็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าความอยากความอยากหมายถึงทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอยากซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ทั้งๆ ท, ที่มีเสื้อผ้าเก่าอยู่เต็มตู้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากแต่ถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเช่นบ้านถูกไฟไหม้ เสื้อผ้าในบ้านนี้ถูกเผาเผาไปหมดไม่มีเสื้อผ้าใส่อย่างนี้ไปซื้อมาใหม่เรียกว่าเป็นความจำเป็นไม่ใช่ความอยากถ้าเป็นความจำเป็นนี้ซื้อมาได้แต่ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปซื้อมาถ้าไม่อยากจะต้องไปหาซื้อตู้เสื้อผ้ามาเพิ่มเพราะจะซื้อมาอีกกี่ชุดมันก็จะไม่พอเก็บซื้อมากี่ชุดเดี๋ยวออกไปนอกบ้าน ไปเดินตามร้านเดี๋ยวเห็นชุดใหม่ๆเข้าแขวนอยู่ตามร้านก็อยากจะได้มาอีกก็จะซื้อมาอีกซื้อมาเรื่อยๆเดี๋ยวเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้มันก็ล้นตู้ก็ต้องไปซื้อตู้มาใหม่เพื่อที่จะมาเก็บอีกไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือปัญหาของพวกเราคือความอยากแล้วมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเรา ว่าเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ดังใจก็เสีย อ, อกเสียใจเห็นอะไรแล้วอยากได้แต่ไม่มีปัญญาที่จะซื้อมาได้ก็เสีย อ, อกเสียใจดังนั้นเราต้องต่อสู้กับความอยากอย่าปล่อยให้มันเป็นเจ้านายเราต้องอยู่เป็นเจ้านายของมันเราต้องสั่งให้มันหยุดได้เราต้องห้ามมันได้วิธีที่จะห้ามมันก็ใช้เหตุผลนั่นเอง เวลาที่เราอยากจะได้ไถามตัวเราว่าถ้าเราไม่ได้มันมาแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าเราไม่ตายก็ไม่ต้องเอามาจะดีกว่าเพราะเอามาเราก็ต้องเสียเงินเสียทองและเราก็ต้องไปหาเงินทองมาใหม่แทนที่เราจะอยู่บ้านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเราก็ต้องออกไปดิ้นรนหาเงินหาทอง เพื่อมาสนองความอยากถ้าเราต่อสู้กับความอยากได้แล้วต่อไปเงินทองที่เรามีอยู่นี้จะไม่สูญหายไปไหนเราจะมีเงินทองเก็บไว้มากมายจนไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรดีเราก็จะเอาไปทำบุญได้อย่างสบายใจจะไม่รู้สึกเสียดายเสียอกเสียใจกลับมีความสุขเวลาที่เราเอาเงินทองนี้ไปทำบุญ แต่ถ้าเรามีความอยากต้องการซื้อสิ่งนั้นซื้อสิ่งนี้เราจะไม่มีโอกาสได้เอาเงินทองไปทำบุญเพราะความอยากได้สิ่งต่างๆมันจะมาแย่นเอาเงินที่เราควรจะไปทำบุญนี้ไปหมดเราจะไม่ได้ทำบุญใจของเราก็จะไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มไม่มีความพอใจของเราก็จะหิวไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้น นี่และคือการที่เราจะต้องบำเพ็ญก็คือการต่อสู้กับความอยากด้วยการให้เวลาเราให้นี้จะทำให้ใจเราไม่ค่อยอยากได้อะไรเพราะเวลาให้แล้วใจเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอนั่นเองนี่คือวิธีหนึ่งที่จะสร้างความพอให้เกิดขึ้นลดความอยากให้น้อยลงไป และวิธีที่ได้พูดมาเมื่อกี้นี้ก็คือการใช้ปัญญาทำจิตใช้เหตุใช่ผลเวลาอยากจะได้อะไรก็ถามว่าตายหรือไม่ถ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการตายหรือไม่ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างนี้ถ้าไม่ตายเราก็ไม่ต้องไปถ้าตายแล้วค่อยไปเช่นถ้าไม่มีข้าวกินจะตายไหมถ้าไม่ได้กินหลายวันก็ตายได้ อย่างนี้เราก็ต้องไปหาข้าวมากินอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากแต่เป็นความจำเป็นถ้าอยากจะได้อะไรจะหาอะไรมาขอให้หามาด้วยความจำเป็นและรับรองได้ว่าความอยากของเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วความพอจะมีมากขึ้นความสุขจะมีมากขึ้นจนในที่สุดจะมีความสุขเต็มเปลี่ยนอยู่ในหัวใจตลอดเวลา เพราะเราไม่มีความอยากได้อะไรเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วนี่แหละคือเป้าหมายของการบำเพ็ญของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทางก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีทำจิตใจให้สงบการเจริญวิปัสสนาก็ดีก็เพื่อที่จะตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปให้ใจ เกิดความสุขขึ้นมาเกิดความพอขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมเอามาปฏิบัติด้วยความภาคเพียงด้วยความจริงจังไม่ได้ทำศักิ์แต่ว่าทำทาเพราะเห็นคุณค่าว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองกองเท่าภูเขามีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ยังไม่สามารถดับความอยากได้ ยังมีความหิวความต้องการอยู่เรื่อยๆถ้ายังมีความอยากก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆสู้ไม่มีความอยากดีกว่าไม่มีเงินทองกองเท่าภูเขาดีกว่าเพียงแต่ขอให้มีเวลาได้ปฏิบัติเท่านั้นให้ได้ภาวนาให้ได้เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆชีวิตของเราจะขุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนจะพบกับความสุข ความอิ่มความพอที่ถาวรที่เราไม่ต้องไปหาอะไรมาเติมอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการบําเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในวันเวลาที่ท่านไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นเพื่อจะได้สร้างความสุขสร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับจิตใจจึงขอฝากเรื่องของการบําเพ็ญ ให้ท่านได้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ